แม่ข้อมจริงมันเป็นจังซี่อัตมาคือจเอาแต่ค้อมจริงแหละมาเบอานักธรรมะต้องพูดของจริงให้มันเป็นสัจธรรมพูดที่ไหนก็เป็นจริงอยู่ที่นั่นฉะนั้นฟังธรรมะแบบเป็นสัจธรรมต้องฟังแล้วคิดเพราะท่านพูดแต่ของจริงของแท้ไม่มีใครหลอกจะรักเราเกินพ่อเกินแม่ แม่พ่อแม่จะมีความชั่วบางอย่างต่อลูกแต่โดยองค์รวมโดยภาพรวมเยอะแยะแล้วนี่พ่อแม่ยังชนะคนอื่นแหละเพราะคนอื่นจะดียังไงแต่จะไม่พูดรายละเอียดนะแต่นี่คือความจริงเหมือนกันแหละแม่พ่อแม่จะด่าบ้างก็ด่าเพราะกลัวเราจะเสียคนพ่อแม่ต้องเขี้ยวเข็นก็เพราะอยากให้เราเป็นคนดีแล้วใครจะมาปากเปียกปากแฉกับเราจะเป็นห่วงเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ ลูกติดคุกลูกเดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนไปด้วยลูกเกิดมาร้องอูแหว่อูแว่เหมือนใจจะขาดพ่อแม่ก็เหมือนใจจะขาดลูกเจ็บป่วยมาร้องครวญครางโดยความเจ็บปวดเหมือนกับบิดดวงใจของพ่อของแม่ลูกตายมาบางทีพ่อแม่บอกว่าอยากจะตายแทนลูกถ้ามันเป็นไปได้มันขนาดนั้นนะยอมเสียชีวิตเพื่อลูกได้ความจริงอย่างนี้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือพระไตรปดกหรอก ถ้าพิจารณาแล้วมันเห็นความจริงที่ซึ้งมากฉะนั้นเรียนธรรมะอย่าเรียนแบบลวกลวกอ่านธรรมะอย่าอ่านแบบลวกลวกมันจะเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งฟังเทศอย่าฟังแบบลวกลวกเพราะมันจะเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งมองพ่อแม่อย่ามองแบบผิวเผินลวกลวกมันจะไม่เห็นดวงใจแท้ของพ่อแม่ คนที่จะเข้าใจว่าพ่อแม่รักลูกขนาดไหนคนที่จะเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อใดที่เป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกว่ารักลูกนั้นรักสุดหัวใจจริงๆรักเหนือชีวิตจริงๆตัวเองจะหิวกว็ช่างไม่อยากให้ลูกหิวนี่มันเหนือชีวิตตัวเองตัวเองจะตากแดดกรำฝนทํางานเหงื่อไหลใครย้อยอาบเหงื่อต่างน้ําไม่คํานึงว่าตัวเองจะลําบากขอให้ลูกมีอยู่มีกิน มีใช้มีสอยมีเงินส่งค่าลูกเรียนหนังสือดูสิไม่ได้คำนึงตัวเองเลยหายใจเป็นลูกแล้วคนดีอย่างนี้เราจะมาทาให้ท่านชอกช้าทำไมไม่ทำไมไม่ถนอมน้ำใจของท่านไอ้ที่เพื่อนนะ่ะทำไมถนอมน้ำใจนักนัดและกลัวแต่จะผิดเวลากลัวเพื่อนจะต่อว่ากลัวเพื่อนจะไม่นับถือ แต่พอแม่มีงานยุ่งอยู่บ้านลูกเ อ, อ้ยวันนี้งานเยอะอยู่ช่วยแม่ก่อนบ่หมูนัดเยอะพัดนโอ้เอาหมูตัวนี้เกินพ่อเกินแม่พิษอีกแล้วนะั่นฉะนั้นศีลธรรมนั้นต้องอยู่เหนือชีวิตเพราะเป็นคําสอนของผู้ประเสริฐอย่ารับศีลเป็นเล่นเล่นรับจักเท่าไดเถื่อก็เป็นขี้เหล่าคือเการับจักเท่าไดเถื่อกะใจดําอมหิทธเบียดเบียนคนตามศีลขอนึงคือเกา รับสินจักที่ได้เถื่อกับยังคดโกงช่อราับางหลวงช่อหลวงบังราศฉกชิงวิ่งเราคือเกา่ารับสินเสร็จได้กัยังไปเข่าคุกคือเกา่ามั่นหละกลายเป็นรับศินแบบพวกละครพวกลีเกมัรับพ่อเป็นพิธีชาวพุทธอย่าเป็นลีเกกันนักเลยอันนี้ก็ไม่ใช่พูดเพราะความเกลียดความชังนะแต่ต้องการต้องการอะไรต้อง การสกัดสิ่งที่มันแย่ๆมันนับวันจะมากขึ้นถ้าไม่พูดไม่เกิดการฉุกคิดสิ่งแย่ๆมันจะหนักหน้าต่อไปจัดงานเท่าไรมันจะเหนื่อยเปล่าไม่ค่อยเกิดสาระเพราะไม่รู้จะคิดไม่ใช่เหนื่อยเฉยๆสิ้นเปลืองเงินทองเยอะจบลงด้วยการสิ้นเปลืองแต่ให้โทษเยอะก็มีบางงานหาประโยชน์จากงานแทบไม่มี พ่อเขาดีๆมาในงานของเราลูกเขามาดีๆแต่พอมาเลี้ยงมากินมาเมาทำลายสติคนเสียขาเขาก็ไม่เรีย ก, กว่าบ้าคนเสียตาเขาก็ไม่เรียกว่าบ้าแต่คนเสียสติเขาเรียกว่าบ้าแต่บางคนเสียสติแบบหน้าเห็นใจนะกลุ้มกับลูกม า, มากๆคิดไปคิดมาเลยสติเสียเออนี่น่าเห็นใจบ้าไปเลยเมีย ม, มีชู้ไอบ้านไยเมืองนั่งกลุ้มอยู่ ไม่อยากออกสังคมถ้าจะอย่าร้างจะทิ้งก็กลัวลูกจะมีปมด้อยคิดไปคิดมาผัวเป็นบ้าเอออย่างนี้เสียสติแบบนี้น่าเห็นใจแต่ที่อยู่ๆแล้วก็เรียกผัวเรียกลูกคนอื่นมากินเหล้าเมายาไอ้ที่มานะ่ะเดินตรงเดินเที่ยงดีดอกกอกินเหล้ากินยาละเดินไปกลับบ้านนี่ยมันหมายความว่าไงเอาเขามาให้ได้ดีหรือเอาเขามาทาลาย คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายแล้วหรือเอาพระไปให้ศีลก็มานั่งว่าศีลตามพระพอพระไปพ้นก็เมาแอ่กันอยู่และรับศีลอย่างนี้ประจานตัวเองหรือประจานพระหรือประจานศีลและธรรมเทวดาเขาจะรักเราได้ยังไงก็มีแต่คนหลอกพระพุทธเจ้ารับศีลแล้วไม่ทําตามถือว่าทรยศต่อศีลรับศีลแล้วไม่ทําตามถือว่าทรยศต่อพระพุทธเจ้ารับศีลจากพระก็เท่ากับว่าหลอกพระ ให้พระเสียเวลามานั่งว่าศีลแล้วก็ว่าตามกันเหมือนมอลำกลายเป็นของเล่นไปหมดของดีเอามาเล่นของสูงเอามาทำให้มาเหยียบมาย่ำมันก็เป็นบาปเป็นกรรมทั่วในแผ่นดินเกิดวิปริตเดือดร้อนเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างมาซ้าเติมสังคมฉะนั้นมันหนักพอแล้วแหละอย่าปล่อยให้สังคมย่าแย่ไปกว่านี้เลย อาตมาก็จะอยู่ในสังคมไม่นานละอายุขนาดนี้แล้วดวงอาทิตย์มันก็บ่ายแก่ๆไปแล้วแหละก็คิดว่าจะพยายามทำประโยชน์ถ้าวันใดที่หมดกำลังแล้วทำไม่ได้จะไม่ได้เสียใจเพราะเราได้ทุ่มมาตลอดมันไม่แน่วันนี้เดินได้วันต่อไปอมมาพาดก็ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้ยังเดินได้อย่าประมาทรีบทำความดีบ่แมนอัมพาตแล้วว่าโอ๊ยกันหายสิไปบวช ด, ดอก เสียอยากไปยวนน้าอาจารย์มหาเออคัน จ, จังสัน่นเระหัาดีแต่แผกินเหล้าจนเป็นโรคตับโรคปอดพอเขาไปพ่าตัดหมอบอกว่าทีหลังถ้ายังกินเหล้าอีกเดี๋ยวเป็นหนักกว่าเดิมจะเข้ามาผ่าตัดตอนนี้หมอไม่รักษาแล้วออกไปอาการดีวันศุกรกินดอกตอนยังแผลบอกท่านดีบัดแผลดีหรอกมัวนะมาไนะป็ยัง้งเราเอานิดน้อยหนะ่าเห็นใจหมู่กินเอาไปเอามากินเรื่อยๆเป็นนักอีก ไปหาหมอหมอก็วันแน่ว่านาตัดเถื่อทีสองออกมาย่านย่านแพ่มูอีกก็เลยบวชซะว่นบวชนี่บอมานิท่านเดือของจริงบ่บอกดอกอยู่เมืองอุบลนี่ละแต่ว่าไม่นั่นตรอมใจตายไปก่อนแล้วผู้ผัวนั่นะยังบวชอยู่ทุกมือก็สิบวชได้ต้องคืนเขียงให้เขาผ่าตัดทองสองเถื่อนั่นเขาเอนว่า กรรเขียนฉะนั้นจะเหตุบาปเจ้าของเท้ออันใดดีโหเแล้วก็ให้ทำอันใดซวยโหเหล้วก็ให้ละโหจะคว่ำเพอแห้งแล้วอโยร้ายแล้วเกิดมานับถือพุทธศาสนาขันนับถือต้องบองโง่จเหตุแนวเห็ุให้เจ้าของเสียเสียนิสัยเสียบารมีขันเหตุอนันใดเบาอันใดเหตุให้เจ้าของเสียบารมีถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธ เพราะขาดคุณสมบัติถึงเป็นชาวพุทธก็มีอยู่ในทะเบียนแต่คุณสมบัติจริงๆไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าอติโรยติปัญญาะสัมมาสัมพุทธัสสะสาวกโกแปลว่าคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของเราต้องมีสติปัญญาในการกินในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการทาในการพูดในการคิด ต้องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอย่างมีสติปัญญามีความฉลาดนั่นแหละคือยี่ห้อของพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นกินอะไรโดยไม่คิดคบเพื่อนโดยไม่คิดจัดงานเหนื่อยสิ้นเปลืองแค่ไหนเอาบาปเข้ามาตั้งเยอะก็โดยไม่คิดอย่างนี้ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการเลยเป็นลูกศิษย์ที่ ไม่มียี่ห้อพุทธไม่มีศักดิ์ศรีพุทธไม่มีพุทธแบรนด์หรือแบรนด์พุทธฉะนั้นมาคิดดูอย่างนี้มันน่าละอายนะว่าเราเป็นพุทธแบบไหนคือเราจะได้มีกำลังใจว่าโอ้เราจะพยายามทำตัวเองให้สมศักดิ์ศรีจะได้เป็นตัวอย่างแกลูกแก่หลานอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีเราต้องทำตัวให้มีศักดิ์ศรีและเป็นตัวอย่างในทางที่ดีงาม เพราะตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนไม่ใช่เป็นปรัชญาธรรมดานะแต่มันเป็นปรัชญาที่เป็นจริงคงเส้นคงวาตลอดตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนจะหานักสอนดีๆมานั่งสอนจนปากเปียกปากแฉะแต่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี่คนสอนก็เหนื่อยเปล่ามาบ้านพ่อแม่ก็ขยันให้ดูพ่อแม่ก็พูดเพราะให้ฟัง แต่พอไปอยู่ในสังคมก็้ิว่าไง่ายไอ้หาไอ้เฮี่ยมาบ้านมึงไม่มาหากูไม่แต่เฮี่ยไม่แต่หาโยมันจะดีได้ยังไงมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีฉะนั้นพวกเราจะต้องพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างของเด็กทุกกระเบียดนิ้วพร้อมไหมเพราะว่าเราเกิดมาเราต้องรับผิดชอบลูกของเราอาตมาไม่มีลูกอาตมายังไม่อยากเป็นตัวอย่างเลวๆแก่ใครเลยกลัวคนอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างในทางไม่ดี อายุมากขนาดนี้แล้วยังคอยควบคุมตัวเองตลอดให้อยู่ในร่องในรอยก็อยากเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอย่ามักง่ายนักเลยอย่าเอาขี้เล่าขี้ยาเอาคนมีเกิเล็หนามาใส่ใจมากเลยต้องเอาพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในดวงใจตั้งไว้ในสมองเลยจะทำอะไรให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมันจะขัดใจคนมีกิเอ็ก็ช่างเถอะเราได้ของสูง เราได้หม้อทองคําแต่ทําลายหม้อดินเราจะไปเสียดายหม้อดินทำไมถ้าเมียคนนี้มันเจ้าชู้ประพฤติให้เราอายคนแล้วมีคนอื่นที่ดีกว่านั้นมารักเราทิ้งเธอเมียขี้เล่าเมียเจ้าชู้เมียหลายใจอันนี้เปรียบเทียบนะฉะนั้นเราจะเสียเพื่อนบ้างถ้ามันเลวก็ทิ้งไปเถอะคบหงก็เป็นหงเหมราชคบปราดก็เป็นปราดสถาผล คบกาก็เป็นกาทอรชนคบพันชนก็เป็นคนกาลกินีถ้าเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลน้ำเค็มเต็มทะเลมันมาทำให้ปนของเราอร่อยไม่ได้หรอก มีอยู่เต็มทะเลมันทําให้แกงเราอร่อยไม่ได้หรอกสู้เกลือนิดหน่อยในกระปุกไม่ได้มีเพื่อนดีแต่เขาพึ่งได้มีเพื่อนดีเขาไม่ทรยศเราดีก็ไปที่ไหนก็แห่แหนกันตั้งโต๊ะกลมขวดกลมขวดแบนไม่หยุดตั้งวงไพ่ตลอดทั้งคืนยังเป๋มาบ้านตอนเช้าเชาอย่างนี้เรามีเพื่อนเยอะก็อย่าไปอิจฉาเลยให้สลดกันแล้วกันว่าคบไม่เลือกกินไม่เลือกมีแต่จะเสียคน ดูไม่เลือกก็จะเสียคนมีตาต้องเลือกดูมีหูต้องเลือกฟังหูช้างมันฟังเทศไม่ได้ทั้งๆที่ตัวมันก็ใหญ่หูมันก็ใหญ่แต่บุญมันน้อยมันจะเอาหูสแสวงหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่หูไม่ไม่ใช่ธรรมะไม่ถึงหูช้างนะหูช้างไม่ถึงธรรมะเพราะช้างมันมีบุญน้อยมันเป็นสัตดิรัชานหมามีสี่ขาขาเยอะกว่าคนแต่มันได้ประโยชน์จากขาน้อยกว่าขาคน ขาคนนี่เดินจงกรมก็ได้เต้นรำวงก็ได้เป็นนักรำกันจนมีชื่อเสียงเต้นฟุตเวิร์กต่อยมวยหลบก็ได้ตีเขาจนชนะคู่ต่อสู้ได้เงินเงินรางวัลได้เข็มขัดมีเงินทองมีชื่อเสียงมีอนาคตก็เยอะแยะวิ่งเร็ววิ่งพลัดหนุนดูสิประโยชน์มันใช้เยอะเดินไปวัดไปหาความดี แต่หมามีตั้งสีขามันเอาทำอะไรว้างนอกจากเดินกับวิ่งไปอย่างนั้นล่ะมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนักหรอกฉะนั้นเรามันระดับมนุษย์เป็นสัตว์เหมือนกันแต่สัตว์เกรดสูงก็เลยสัตว์มนุษย์มนุษย์สัมนุษย์โศมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงสัตว์อื่นๆเขาก็มีใจแต่เขาไม่ใจไม่สูงเขาจะคิดว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายเขาไม่มีกฎหมายหรอกหลงรักกัน มีความรักใคร่กันสุนัขมันก็ต่อกันอยู่กลางถนนมันจะบอกว่าผิดธรรมเนียมตอนเช้าพระจะมาบินตบาตจะพึ่งต่อกันเลยอายพระมันสิอายเป็นอย่างไปบินตบาตเห็นหมาต่อกันอย่านาสี่แยกมันห่วยอยู่ตัวหมามันต่อกันคนกันเฮ็ดจังสันมันก็ค้นหมาๆแหละเนาะมันสิบ่มีดอกมันใจสูงหูจะไอฉะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดใจหมันสูง มันจึงสิพู่มใจตัวเองว่าดีดตัวออกจากสัตว์ลิขชาติเหตยัง้งให้คำนึงกฎหมายเหตยัง้งไก่คำนึงถึงศีลถึงธรรมคันพ่ะอยากเกิดทุกเกิดยากอัตมาว่าทุกอย่างในต้องการสงเคราะห์จริงๆต้องการช่วยเหลือจริงๆต้องการพูดแบบสกิดใจจริงๆไม่ใช่เทศเอาพิธีรีตองแล้วก็เลิกไปอยากจะให้งานมันมีประโยชน์มากๆ ไม่ใช่งานของอัตมาหรอกแต่งานใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอัตมาเอาใจรุ่นด้วยเอาใจช่วยเห็นพ่อแม่พี่น้องมาอดตะลับขับตานอนอัตมาอย่างปลื้มใจทั้งทั้งที่ทุกคนก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอัตมาเมื่อคืนนี้อัตมาชื่นใจดึกดึกยังมาดูหลายคนยังไม่นอนถ้าอัตมามีฤทธิ์มีเดชนะส อ, อนหลายอยากดนบันดาลให้รวยเห็นท่านตาบุญละ แต่กระืือแต่มั่งก่อนอกว่ามีลิบมีเด็ดอีนัง่งก็ขอโนโมทน า, น, าออนนำหลายๆเด้อสะออนหนำหลายๆงานนี้มันเป็นมาอย่างไงพระพุทธเจ้าคนเดียวมีประโยชน์ต้องเยอะแยะเพราะท่านมีศักยภาพสูงมีความดีมากมีความสามารถมากมีคุณธรรมมาก แต่บางคนตายเป็นอย่าว่าตายเป็นหลัวๆเลยตายเป็นล้านๆก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรสังคมเพราะไม่เคยให้คุณให้ประโยชน์อะไรก็มีบางคนตายไปเขายังบอกว่าเออตายเสียก็ดีแผ่นดินจะได้เบาขึ้นเพราะมันมันชั่วมากมันสร้างแต่ความวิบัติหายณนะวิปริตแต่คนอย่างหลวงปู่เสานี่เป็นคนคนหนึ่งที่หายากหายากยังไง หายากเพราะคุณธรรมระดับหลวงปู่เสานั้นต้องลงทุนมากเหลือเกินต้องเสี่ยงตายมากเหลือเกินต้องลำบากมากเหลือเกินและมันมีกี่คนที่ใจเพชรใจสิงอย่างหลวงปู่เสาพ่อแม่พี่น้องได้หนังสือประวัติหลวงปู่เสาไปนี่บางคนเขาเป็นนักจำนะอ่านแล้วมาพูดฉอดชอดฉดอ ด, อ ด, อ ด, อ ด, อดตามลำดับขั้นตอนของ ชีวิตได้อัตมาประวัติของใครก็ตามอัตมานั้นจะความถนัดในเรื่องความจําไม่ค่อยจะดีนักอยู่ในขั้นพอใช้ได้ฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาบอกว่าดีใจก็เพราะว่าเมื่อหลวงปู่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนคําว่าสุปฏิปันโนนั้นเป็นคําใช้รวมรวม พระรูปใดที่สำรวมระวังเดินก็หน้าดูหน้าชมหน่าเลื่อมใสจะพูดจาฟังแล้วก็น่าศรัทธาหน้าเลื่อมใสแม้แต่จะฉันอาหารแม้แต่จะครองจีวรดูแล้วหน่าสะออนหน่าศรัทธาหน่าเลื่อมใสการมีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการสำรวมระวังในศีล ที่เร็วอินศีลสังวรล้วนแต่ทําคนให้เป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติ ด, ดีผู้ที่น่าเทิดทูนผู้ที่น่ากราบหน้าไหว้ผู้ที่ตายไม่เป็นเพราะความเป็นสุปฏิปันโนนี้มันตายไม่เป็นความดีมันตายไม่เป็นตายเป็นแต่เนื้อหนังมังสาธาตุสี่ขันห้าแตกสลายเป็นคนหามไปเผาก็ไปเผาธาตุสี่ขันห้า คนที่เขาหามไปฝังก็ฝังธาตุสี่ขันห้าแต่ความดีความประเสริฐความงามเป็นของผู้นั้นโดยตรงไม่มีใครไปคดไปโกงเราจะไปแย่งบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ท่านมีบารมีมากมายล้นเหลือเราอยากได้ไม่ต้องไปลักไปจี้ไปปล้นเอาจากใครเราต้องสร้างเอาเองของแท้ต้องสร้างด้วยตนเอง ชีวิตของหลวงปู่เสาเป็นสุปฏิปันโนที่งดงามเหลือเกินเป็นเพชรแห่งกรรมฐานไม่รู้จะใช้สำนวนพูดยังไงฉะนั้นคนอย่างนี้ใครเคยอยู่ใกล้กี่ชีวิตที่เคยอยู่ใกล้กับหลวงปู่เสาจะ พ, พูดเหมือนกันหมดเห็นแล้วสะอ่อนเห็นแล้วประทับใจเมื่อท่านตายไปก็คิดถึงคนที่เขาจะเขียนประวัติ หลวงปูเ่เสาเขาเจาะเขาเริ่มต้นที่ไหนหลวงปู่เสาเคยอยู่ที่ไหนถ้าเคยอยู่วัดดอนธาตุพศเท่าไหร่ใครเกิดก่อนพศนั้นยังมีชีวิตอยู่ที่พอรู้บ้างบางคนกว่าจะเขียนหนังสือได้เจาะตั้งกี่ปีอย่างคุณอะไรแนะนาสกุลสายสมบัติเนี่ใช้เทพใช้หนังสือบันทึกไปสัมภาษณ์ไปเจาะที่นั่นที่นี่ยากยิ่งกว่างานวิทยานิพนธ์อีก กว่าจะเอามาเขียนได้อัตมาก็รู้ก็เห็นเห็นการสัมภาษณ์ได้ฟังเสียงจากคนเฒ่าคนแก่ถ้าท่านเคยไปอยู่แถวภูหลนยังมีใครบ้างที่อายุมากสามารถจะพูดได้แบบฝังจิตฝังใจในความดีของท่านเหล่านั้นฉะนั้นอัตมาว่าหลวงปู่เสานี่ถ้าท่านดีมากคนที่อยู่ใกล้ชิดประทับ จิตประทับใจความดีของท่านเหมือนกับไปนั่งอยู่ในดวงใจของคนเหล่านั้นตรึงใจคนเหล่านั้นแล้วถ้ามาถึงยุคพวกเราเนี่เราไม่รู้เลยนี่เราจะโทษใครเราจะมาบอกว่าก็ไม่รู้แหละเพราะเราเกิดไม่ทันสำคัญว่าคนที่อยู่ใกล้น่ะทำไมไม่สืบทอดเดี๋ยวนี้เขาพยายามจะสืบทอดพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดอยู่เมืองไทยเกิดอยู่ถึงอินเดียปรินิพานคือตายไปแล้วต้งสองพัน7ปีทำไมคนเราจึงยังซึ้งความดีของพระองค์ยังประทับใจในความดีของพระองค์ใครเป็นคนนำสืบทอดมามีคนอ่านคนเรียนประวัติซึ้งใจซึ้งใจก็พูดให้คนอื่นฟังต่อในระบบของการเรียนทั้งในภาคโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน อาตมาแต่ก่อนไม่รู้ไม่ซึ้งบวชเรียนและครูเล่าให้ฟังซึ้งอ่านประวัติของท่านก็ซึ้งซึ้งแล้วอาตมาก็พูดต่อคนอื่นก็ซึ้งต่อจากอาตมานี่แหละระบบสืบทอดคนระดับหลวงปู่เสาเป็นเพชรเม็ดงามเราจะให้จมดิ่งมิตรไปกับบรรยากาศพร้อมกับชีวิตที่แตกดับไปไม่เอาความดีมากล่าวมาเชิดชูนั้น แสดงว่าเราไม่รักษามรดกที่ล้ำค่าใครก็ตามที่เป็นต้นคิดแล้วพูดขึ้นอาตมาเขาไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนต้นคิดใครเป็นคนพูดหรือใครเป็นคนริเริ่มทาเจดีเมื่อนานปีมาแล้วมีการคิดจะทำเจดี คิดแล้วก็มาปรึกษากันมาประชุมกันเพื่อให้เป็นกิ จ, จลักษณะประชุมแล้วตกลงกันยังไงมีมติยังไงมีการบันทึกบันทึกนั้นเริ่มทำมาตั้งเกือบ20สิปีมาแล้วแต่บันทึกก็เป็นหมันไม่เป็นจะดีขึ้นสักทีอาตมาได้อ่านบันทึกที่คนเหล่านั้นพากันคิดมีใครบ้าง ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไรพศเท่าไหร่ใครเข้าประชุมบ้างเขาบันทึกไว้หมดคงมีเพียงไม่กี่คนที่ได้อ่านบันทึกนั้นวันนั้นที่อาตมาได้อ่านแล้วอาตมาก็ยังเกิดความสลดใจแต่เป็นความสลดแบบธรรมสังเวชว่าคนมีค่าทําไม เราถึงจะยอมเสียเงินสักไม่กี่ล้านมาสร้างอนุสอนคำว่าอนุสอนแปลว่าสร้างอะไรขึ้นมาและเอาเป็นเอาสิ่งที่สร้างนั้นมาเป็นแนวผูกโยงย้อนยุคว่าเจดีย์นี้ทำเพื่อระลึกถึงใครที่ต้องระลึกถึงคนนั้นคนนั้นมีดีอะไรเอาเจดีย์เอาอิฐเอาปูนมาเป็นเครื่องมือ น่าจะทำได้แต่การประชุมครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเป็นหมันไปทุกครั้งความคิดที่ดีไม่เกิดเป็นเจดีขึ้นสักทีประชุมลงมติกี่ครั้งกี่หนมีอุปสรรคหลายครั้งไม่เป็นเจดีขึ้นมาได้แต่บัดนี้เกิดเจดีขึ้นแล้ว อัตมาดีใจเหลือเกินแต่มันเป็นความดีใจอยู่ในภายในเอาออกมาพูดไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่ชัดเจนเหมือนพ่อแม่รักลูกแหละพูดได้ชัดไหมว่ารักแบบไหนรักแค่ไหนรักกี่กิโลกรัมถ้าบอกว่ารักมากนี่มันมากขนาดไหนสภาวะธรรมในจิตในใจนั้นเอาออกมาพูดเป็นคำพูดนั้นอาจจะตรงได้บ้างไม่ร้อยเอร์เซ็น พระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติแทบล้มแทบตายแล้วมีประสบการณ์ภายในจิตจะเอามาสอนคนนี่พูดยากเหมือนกันเพราะมันเป็นการพบชนิดที่ว่าตัวเองทําแทบตายจึงได้พบแต่คนที่ไม่ได้ลําบากเลยแล้วมาฟังบอก บ, อกบ้สเสื้อดอกแม่นแล้วเจ้ากองกินกินเมาเมาอยู่บ้สเสื้อดอกว่าผีบีมีบ้สเสื้อดอกว่าตาทิพหูทิพมีแต่ผู้ที่เขาไก่คิดนักปฏิบัติเฮาคิดอย่างธรรมดาล้วเพลินเบาขึ้นมา เฮาทั้งอายทั้งญานสีบ่ญาตจังไลยคนมีตาทิบเฮาบ่มีประสบการณ์ฉะนั้นมองหลวงปู่เสานี่ต้องไม่มองแบบคนธรรมดานะเราต้องมองแบบว่าคนไม่ธรรมดาคือเหนือพวกเราเหนืออาตมาด้วยฉะนั้นอาตมาจึงสอนคนที่เหนืออาตมาอาตมาอยากเชิดชูคนที่ มีคุณมีบารมีสูงอย่างนี้ด้วยความรู้สึกก็ไม่รู้จะเชิดชูในด้านใดบ้างมันมีทางแสดงออกได้เยอะแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เทศด้วยจิตใจที่สะออนคุณความดีอันประเสริฐของหลวงปู่อย่างมากอนุภาพของหลวงปู่ตายไม่เป็นฉะนั้นถ้าท่านประเสริฐและมีคนลบหลู่ ไม่ผิดกฎหมายแต่อำนาจศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษคนนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำพีสอนไว้แต่ประสบการณ์ณอาตมาเจอเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาโมนีวงศเคยไปกราบเรียนถามหลวงปู่ขาวในคราวนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จได้ออกตรวจราชการคณะสงฆ์ในภาคอีสานคือแต่ก่อนนี้ภาคอีสานแยกออกมานั้นเขาแยกเป็นแค่สองภาค ทางการคณะสงฆ์นะไม่ได้เป็นสี่ภาคเหมือนปัจจุบันมีเจ้าคณะภาคเพียงสองคือเอาภาคแปดกับภาคสิบนั้นมีเจ้าคณะองค์เดียวแต่เดิมทีจริงๆนั้นสี่ภาคนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุปกครองคนเดียวในภาคอีสานทั้งหมดต่อมาท่านก็มาแบ่งภาคแปดภาคเกภาคสิบนี้ท่านแบ่งออก แบ่งภาคแปดกับภาคสิบให้เจ้าพระคุณสมเด็จวัดนรนาถต่อมาภาค8ดก็มาแบ่งให้เหลือเฉพาะวัดนรนาถส่วนภาคเก้าให้เจ้าคุณธรรมบัณฑิตที่โคราชเป็นเจ้าคณะภาคส่วนภาคสิบเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์แสนทวีสุขนั่นแหละพิมพ์ธรรมะทะโรนเป็นเอง ส่วนภาคส1บอ็ดให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่ชื่อมานิศบัตรสัมพันธวงศ์ทุกวันนี้เป็นเจ้าคณะภาคครั้งนั้นท่านออกตรวจราชการคณะสงฆ์เจ้าพระคุณสมเด็จวัดนรนาถในช่วงนั้นท่านยังดูแลภาคแปดกับภาคสิบเวลาออกนี้ ใช้รถกรมการาศาสนาเติมน้ำมันที่ไหนก็เอาบินไปเบิกคืนได้ออก็เป็นพระระดับรัฐมนตรีฝ่ายพระที่นี้ในการมาพอจะถึงวัดถ้ำกลองเพลนตอนนั้นหลวงปู่ขาวป่วยหนักมากแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้ฟังเรื่องแปลกประลาดอัศจรรย์หลายอย่างเกี่ยวกับหลวงปู่ขาว ท่านเลยอยากจะหายสงสัยจึงพกคำถามมาตั้งใจจะมาถามหลวงปู่ขาวขณะเดียวกันก็อยากจะมากราบด้วยกราบความดีความประเสริฐพอรถใกล้จะถึงถ้ำกลองเพนท่านก็พูดกับตมาว่าแนน้อยหลวงปู่ขาวนี่บรรดาบาลไม่ีสิบอย่างสิ่งที่เด่นที่สุดเห็นชัดเจนที่สุด นาสออนที่สุดคือเมตตาบาลมีเป็นคนที่เมตตาสงสารผู้อื่นสุดหัวใจลอยเปอร์เซนฉะนั้นพลังเมตตาท่านแรงมากผีที่ไหนดุดุท่านไปนั่งแผ่เมตตาผีก็จนย่อมเศร้าดุคราวที่หลวงปู่มั่นออกทุดงไปมีหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่แหวน มีมหาทองสุขไปอยู่บนภูเขาตอนเช้าก็เดินจากภูเขาจะลงมาบินทบาทที่หมู่บ้านทางเดินเล็กๆแคบๆมันไม่ใช่หนนทางล่ะมันไม่ใช่หนนทางแท้มันเป็นทางเท้าที่วกๆบนบนซอกแทกตามภูเขาลงมามาจะเอช้างป่ามันไม่มีเชื่องใครเลยมันไม่ชินกับมนุษย์น่ากลัวมากแต่หลวงปู่มั่นสงบจิตสงบใจแล้ว อย่างรู้ใจของช้างว่าสามารถจะเจรจาได้ไม่เป็นอันตรายแน่และคณะที่มามีคนเดียวเท่านั้นที่พลังจิตสูงและสามารถจะพูดกับช้างได้คือหลวงปู่ขาวฉะนั้นก็บอกให้หลวงปู่ขาวไปไปเจรจาขอทางผ่านหน่อยให้ปลอดภัยอย่าทำอันตรายพระแต่หลวงปู่ขาวไม่ได้พูดทันทีนะยืนสงบจิตแป๊บเดียวคล้ายๆกับส่งกระแสจิต ไปงับจิตสร้างไปคมจิตสร้างยาให้พยองอยาให้ทระยดยาให้พยศเจรจาด้วยดีอาตมาพูดรวบรัดแล้วผ่านไปฉะนั้นหลวงปู่ขาวนี่พลังเมตตาไม่ใช่ธรรมดาแล้วหลวงปู่สมเด็จพูดยังไงพูดว่า น, น่นอยเจ้าลองพิจารณาสังเกตบังเดอร์เมตตาบรารมีนี่มันเกิดความเย็นมันตรงกันข้ามกับคนโทษสะจริต เวลาเขาเขาวัดทำกองเพนเนี่ยคือจังมันเย็นคือจังเขาเข่าห้องแอร์เย็นในในเพื่อนว่าเขาว่ากันจังสั้นมันซิเมนบอกฮะให้เจ้าสังเกตเนี่เด้อเพื่นวะหรือมันสิเมนย่อนค่วมเบาของเพลินเลยอัตมาเกิดอุปาทานบ่นจังวะว่าแต่เข่ากำแพงปั๊บคือจังใจมันเย็นโวบเข้าไปคือจังกำลังสิเข่าไปหาอหยั่งสักอย่างที่มันอิ่มในใเพื่อนละไปกุฏิหน่อยเห็นโยมนั่งอยู่ไต้กุฏิ ขึนไปทึ่งกุฏิเห็นหลวงพ่อเพ่งทุกมือนี่แหละเจ้าวาดทุกมือนี่ตอนนั้นเพันบท่นท่านเ่าวันนี้เพลนนั่งอยู่ข้างนอกห้องสมเด็จกระถามเรจแล้วตอนนั้นก็ได้งินว่าหลวง